อันนี้สรงของการเจริญสติถูกทางอยู่เหนือบุญทุกชนิดกรรมฐานอาจเลื่อนเวลาให้ผลกรรมดำได้แม้ไม่ใช่การลบล้างกันถามเราหยุดทุกกรรมร้ายได้ด้วยการเจริญสติใช่ไหมช่วยตอบให้มีกำลังใจสู่วิบากร้ายให้หมดในชาตินี้วิบากชั่วนั้น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 ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้คนเราเมื่อกระแสละโมบลดลงความเดือดเนื้อร้อนใจทางการเงินก็จะลดลงตามและคนเราเมื่อกระแสพยาบาทจางลงความเบียดเบียนจากคนร้ายก็จะจางลงตามที่สาคัญเมื่อคนเรามีหมอกมัวแห่งโมหะเบาบางความเดือดเนื้อร้อนใจอันเกิดจากการตัดสินใจด้วยความเขา่าก็จะเบาบางตาม กรารที่พยายามลดความโลภความโกรธความหลงนั้นให้ผลเร็วทันตาทันใจแทบไม่มีอะไรเกินหน้าได้เมื่อรักษาศีลและทำสมาธิให้มากแล้ววิบากขาวเาจะเกิดขึ้นเร็วและสามารถลัดคิวให้ผลแทรกแซงวิบากเก่ารักษาเราให้อยู่สวัสดีปลอดภัยสบายใจจากเรื่องรบกวนได้มากกว่าคนทั่วไปอย่างไรก็ตาม ขอให้เข้าใจว่าการเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เพื่อแก้กรรมไม่ใช่เพื่อทาลายเงาเมื่อทั้งหลายทิ้งอย่างสนิทไม่ได้รับประกันว่าจะทำให้เกิดสถานการณ์ดีๆกับเราทันตาไม่ได้รับประกันว่าวิบากดำแต่หนหลังจะถูกปิดกั้นได้เด็ดขาดศีลและสมาธิที่เป็นไปตามแนวพุทธนั้นช่วยให้เราไม่เดือดร้อนเพราะกรรมดำใหม่ๆกับทั้งทําให้มีจิตใจหนักแน่นพอ จะตั้งสติรับสถานการณ์กระทบกระทั่งต่างๆไม่ปัดเปะเสส่วนง่ายเหมือนคนทั่วไปที่ขาดหลักยึดให้ตั้งมัน่นกรรมฐานอาจเลื่อนเวลาให้ผลกรรมดำได้เพราะมีกรรมขาวมาแทรกแซงแต่ไม่ใช่ลบล้างกันเหมือนเอายางลบลบรอยดินสอกรรมดำอาจเข้าคิวให้ผลอยู่สุดกู่แต่ถ้าศพช่องเมื่อไหร่ก็ให้ผลจนได้ แม้พระอระหรันท่านก็ยังต้องเสวยวิบากเกา่าที่เป็นทุกข์ทางกายได้อยู่แต่พวกท่านจะไม่ทุกข์ทางใจอีกแล้วทํานองเดียวกับผู้เริ่มเจริญสติปัฏฐานแม้ว่าจะไม่อาจดับทุกข์ทางใจได้สนิทเหมือนอย่างเราพระอระหรันรอย่างน้อยเมื่อเสวยทุกข์ทางกายก็ไม่กล้ามโครวนมากมายเหมือนแต่เก่าก่อนสรุปคือผลของการดาเนินชีวิต ตามหลักสติปัฏฐานนั้นทำให้ทุกทางใจลดลงอย่างแน่นอนอา น, นิสงส์ของการเจริญสติถูกทางอยู่เหนือทุกสิ่งอยู่เหนือบุญทุกชนิดชาติเดียวก็หมดทุกหมดโศกได้ครับแม้วิบากร้ายจะยังคงทำหน้าที่ของมันต่อไปขอเป็นกาลังใจให้เพียรต่อบนวิถีทางอันประเสริฐนี้ครับ